อนาปติวนันภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ 5071. ภิกษุผู้เป็นเจ้าของจีวรที่ภิกษุณีผู้เป็นญาติซักให้เองโดยมีภิกษุณีสายผู้ไม่ใช่ญาติคอยช่วยเหลือ 2. ภิกษุไม่ได้ใช้ภิกษุณีไม่ใช่ญาติซักให้เอง 3. ภิกษุใช้ซักจีวรที่ยังไม่ได้ใช้สอย 4. ภิกษุใช้ภิกษุณีผู้ไม่ใช่ญาติให้ซัก บริขารอย่างอื่นนอกจากจีวร 5. ภิกษุใช้สิกขมานาให้ซัก 6. ภิกษุใชส้สมเนรีให้ซัก 7. ภิกษุวิกลจริตแปิกษุต้นบัญญัติภุราณาชีวะสิกขาบทที่ 4. จบ